คำนำเวลาดูหนังดูละครหลายคนประทับใจบทบาทตัวแสดงที่ตีบทแตกบางคนถึงกับฝุงฝันใคร่มีชีวิตเช่นตัวแสดงที่ตนรู้สึกปราบปลื้มนั้นด้วย นั่นคือหนังละครจัดฉากกำกับนักแสดงให้เล่นสมบทบาทหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจปรุงแต่งไปตามเนื้อเรื่องที่สมมุติขึ้นไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ชีวิตจริงก็ไม่ต่างจากหนังละคร ถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตจริงก็คือละครที่แสนจริงโดยแต่ละคนเป็นทั้งนักเขียนบทนักแสดงและเป็นผู้กากับบทแถมเล่นได้สุดหัวใจสมจริงสมจังที่สุด เพราะแสดงด้วยจิตวิญญาณดีชั่วตามที่ตนเป็นจริงแล้วเราควรจะฝึกเล่นบทไหนควรจะกากับฉากชีวิตตนอย่างไรเพราะนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่ละครหลังข่าวสมมุติเรื่องราวกันขึ้น บางคนตลอดชีวิตเล่นเป็นบทเดียวคือบทผู้ร้ายตัวโกงเม้่จะเห็นบทเสียสละมีการให้แต่ก็เป็นการให้ซ่อนเล่เพื่อการได้กลับคืนทบทวีบางคนเป็นนักบวชที่ควรจะต้องเล่นบทบาทดีชี้ทางสว่างสบยัย ให้คนเดินตามอย่างถูกต้องแต่แล้วกลับติดใจในบทบาทผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการหลอกลวงพาให้คนงมงายตบรั์แนบเนียนยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์โดยพ่อครูสมณะโพธิรัก์ ได้ชี้แนะให้แต่ละคนรู้วิธีสู่การเป็นสุดยอดนักเขียนบทสุดยอดผู้กำกับและสุดยอดนักแสดงที่หยุดบทบาทโลดแล่นในนรกอบายใดๆไ ด, ไ ด, ได้แต่จะแสดงบทบาทดีทรงคุณค่าเท่านั้น เช่นบทบาทการลดละกิเลสตัณหาอุปาทานบทบาทการเจริญกุศลธรรมเสียสละเกื้อกูลสังคมและอื่นๆกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักที่มอบตำรานักแสดงโลกุตระเดชาวพุทธ และขอบคุณทุกฝ่ายที่เสียสละกระช่างงานลุล่วงด้วยดี9่ปีที่22เราคิดอะไรขอน้มมอบยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์เป็นธรรมบรรณาการแ ด, ด่สมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน